อาจารย์ทำยังไงครับมืองวิธีง่ายๆในการสาธิตว่าสร้างความรู้สึกตัวเป็นความความรู้สึกตัวคืออะไรอ่ามีไหมครับอ่าอาจารย์ลองสร้างความรู้สึกตัวครัจริงๆความรู้สึกตัวมีอยู่แล้วเนี่ยครั บ, รบทํายังไงที่จะปลุกให้มันขึ้นมาครับให้ให้เราตัวเองเรารู้เองได้ ต้องอาศัยตัวมันเองนะครับเราได้ยินการพูดตํานองชี้โทษของความคิดแต่ที่จริงไม่เกี่ยวกับความคิดนะควารู้สึกตัวมันมีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาของมีว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นครั้งหนึ่งงในดนี่มันพาความรู้สึกตัวของเราไปในห่วงเวลาในในวงงนงังวนเข้ามาเพราะความคิดไม่ใช่อันเดียว หลายอันมากครับเช่นบางคืนเรานอนไม่หลับเราก็เพราะว่าความพยายามของเราล้มเหลวโดยสิ้นเชิงที่จะนอนไม่หลับ mm hmm. ดูเสมือคนธรรมดาดูเสมือนว่าตกแต้มหน้าของความคิดแต่แล้วผู้ภาวนาะก็ต้องการใส่ความคิดอีกนั่นเองนช่วงจังหวะที่มันคิดถ้าเราทำ ค, ความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเราจะจำนะ มันจะทั้งันเหมือนข้าสุกิจมีเมืองเนียถ้าชาวเมืองพร้อมเพรียงกันอยู่ตื่นไม่หลับเลยก็จะป้องกันตัวเองและบ้านเมืองได้ดี่จริงๆเรื่องอันนี้ทั้งเรื่องสติปัฏฐานสี่เรื่องอนาปาเรื่องอริยรสัจส่วนใหญชาวพุทธไทยคุ้นเคยครับ <Yeah. S 1> ไม่ใช่สิ่งแปลก แต่า ก, การที่จะเข้าให้ถึงตัวจริงซึ่งไม่มีชื่อและมีสีนะควมรู้สึกตัวนี้ทุกคนเป็นอยู่นะแต่ท่านจะถามว่ามันมีสีอะไรไมันมีใครตอบได้ลุงพาว่าความรู้ตัวนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องต้องปฏิบัติหรือไม่ใช่สิ่งที่ต้องแสวงหา อยังมีคู่ประปะกับพลังความคิดอยู่อย่างก็คือความรู้สึกตัวและความรู้สึกสดจดความรู้สึกตัวหมายความว่าเดี๋ YN ั้นมั น, มนทํางานอยู่เดี๋ยวนั้นไม่ไดไม่ได้เมื่อวานนะไม่ใช่เราจะรู้สึกตัวพรุ่งนี้นะความรู้สึกตัวนั้นเป็นเนื้อหาของ ชีวิตและเป็นความหมายทั้งหมดหลวงพ่เทียนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พูดเรื่องนี้มากที่สุด แ, แนะนำมาจับทั้งสึกสดๆแต่เมื่อเราทดลองดูในช่วงหนึ่งเราก็จะเห็นเห็นจริงกนะับท่านผมเองเคยเคยไม่เชื่อในพักนียเพราะว่าเราต้องการคิดเ่ง ปิศนาซิ่งเราต้องการจะคิดให้แตกหับตามวิสัยทันที่ผ่านระดับการษาผิดจาการะดับเดิมคูกประบกันนั้นเมื่อความรู้สึกตัวปรากฏขึ้นหลังจากความพยายามที่เอาชนะความคิดนื้น พอความคิดเข้ามาที่ไหนมั น, มนล็อกเราเต็มตัวงมาจนกระทั่งว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยครับตกเป็นาทาสขงความคิดคือคล้อยตามความคิดโดยปริยายที่จริงอันนั้นความรู้สึกตัวนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ข้าสะกดิ์ ก, กรงข้ามเลยคนระับความรู้สึกตัวนั้น เป็ น, นกลไกของชีวิตในการที่เรียนรู้ในการเห็นในการทาความรู้จักกับตัวเราเองถ้าเราไม่มีความคิดเราจะรู้จักชีวิตไม่ได้ไเมื่อพูดถึงเทคนิคจริงๆไม่ควรใช้คำว่าเทคนิคนั่เป็นภาษาฝั่ง มัจะเรียกว่าเคล็ดเคล็ดรับที่สำคัญมากนได้ถูกค้นพบโดยหลวงประเทียนจิตตสสโพนะอาจารย์หลวงพ่อที่ผมคุ้นเคยท่านเนให้ใช้จังหวะเข้าไปคอนดักกระแสความคิดนห้นจังหวะเช่ปกติโดยปกตินั้นเรา มนุษย์เรามีการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นจังหวะอยู่บ้างแล้วครับทนาการกิจการี่ลุกนั่งพอจะลุกก็โน้มตัวไปข้างหน้ามีจังหวะของมันอยู่แล้วเราใช้เป็นประโยชน์ทางกรรมก็คือทุกครั้งที่จังหวะของชีวิตด้านฟิสิกเนียด้านกายภาพเป็นไปนให้เรา รู้ให้รู้ให้ทันสิ่งนี้นะฮะแต่ผลงานที่ดีเด่นของหลวง่เทียนไม่ใช่ว่ า, าทำพระเทศนาแนะนำในการเจริญสตินะแต่ผลงานดีเด่นท่านคือการชี้แนะให้ตรงทางอุนนิัยของผู้ฝึก อย่างกรนีผมพ่อเจมไม่ได้สอนอะไรเลยผมเดาว่าท่านคงไม่อยากทำของฟุ่งช่า น, น, นาหนักกอิดท่านเปลี่ยนกลยุทธ์เป็นการเข้าเข้าถึงผมเดินไปถามปัญหาท่านไม่ตอบครับ แล้เอามือลูนบน mm hmm. ้อทนโนกุทบอกให้รู้ตัวนี้ให้รู้ตัวนี้ mm hmm. ผมก็ไครู้อยู่ดีครับไม่รู้อยู่ดีเพราะว่าจิตใจ ท, ที่ในขณะนั้นยี่สิบกปีที่แล้วเนะ mm hmm. มันไม่พร้อมมันไม่มีศรัทธาพอมันไม่เงียบมันไม่นิ่งมันไม่เลิกมันเอาแต่คิดคิดอย่างเดียวเรกวพลังชีวิตทั้งหมด สูญสิ้นไปกับการมุ่งคิดซึ่งร้ายร้ายไปอยน่ในร้ายร้ายค่ายังางก็ตามหลังจากหนึ่งเดือนล่วงลงแล้วนะครับหลังจากท่านพยายามช่วยโดยที่ผมเองไม่รู้ก็คือการช่วยวัฒนธรรมการช่วยให้จิตลงลงตัวมันนี่มันจะลองเรือนในสังคมพุทธ ชาวไทยเนี่ยหรือแม่แต่ในลังการกรับบทบาทของครูเปลี่ยนไปครับตามความคาดการณของบทบาทครูนั้นเหมือนโค้ชฟุดวอเอาจจะเปลี่ยนทันไหมเกินไปนะการใช้จังหวะ ทังหลงปถนได้คนคิดวิธีที่ช่วยเหลือโดยให้ไปสร้างการเคลื่อนไหวที่มีจังหวะเช่นามที่เราเร้าดีเรพริกมีตั้งขึ้นจิตเข้าไปดูมันยกขึ้นมาความหวานคำว่าหยุดไม่เพียงมือหยุดเคลื่อนนะํคำความใจของ ม, ม, ม, มันหยุดทั้งโลกเลย พยายมกมันขึ้นมามถึงที่สุดในการยกมันคือไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วก็เกิดใหม่ยนงมีมยกพอสิ้์สุดตรงนี้ก็ตรงนี้เริ่มเกิดยกนี่เป็นอุบายที่อาคขบวอกมาได้ คงเข้าใจในะครับหาข้าวไม่ได้แปลว่าคนมีคุณข้าวมหาศาลทั้งนั้นโดยรูปแบบมันไม่มีอะไรเลยครับมี่ไในการยีนิ่งแต่หลายคนที่ปฏิบัติตามที่ผมแนะนำนี่ไม่ใช่คำาฆษณาคือฟีดแบคมาว่าคนน่าอัศจันจริงๆการกระทำสวนโง่โง่นี่เองครับนำบุคคลออกกักทุกได้ ทรางได้ที่เรายัางยีนึ้อย่างนี้นะมีอะไรบางอย่างเล่นตลอดวนกระแสไฟฟ้าอ่อนๆนะ ค, คือความรู้สึกตัวนั่นเองครับพอถ้าเรานั่งนิ่งตามรูปแบบดั้งเดิม น, นะไม่เช้าไม่นอนนะโมหะเลครับหมดครอบครูมาในรูปงความง่วงว่าความเจ็บปวดแค้งขาบ่างความหงุดหงิ ความไม่ได้ดังใจอะไรนย่นะย้อนไปทบทวนเรื่องการเคลื่อนไหวไปจังหวะ ผ, ผพ้กภาวนาควรจะมองเข้าไปข้างในให้มากกว่ามองข้างนอกพอตอนพ้ภาวนาอยู่หล่เทียนท่านถามผมทาถามหนึ่งเอาอะไรไว้ตรงไหน ท่านแน่บอกว่าให้อยู่ข้างในสักหกสิบทั้งวันสิบทำใส่ใจด้านนอกสี่หรือสามของฟังด้นเพื่อเลยผมไม่เข้าใจครับเหมือนเหมือนกันขนาดนี้เราวังไม่เข้าใจเนี่ยความไม่เข้าใจนั้นถูกเกิดขึ้นมาเพราะ ความไม่เชื่อครับว่าสิ่งนี้จะนําไปสู่ความทุกน้อยหรือไม่ไม่มีความทุกข์เล ย, เยผมก็ไม่เชื่อสมัยนั้นผมแค่ว่ามันจะได้อะไรขึ้นมามันนั่งยกมือแต่แล้วความจริงคือขณะที่เรายกเราเข้าเป็นตัวมันหนึ่งเราเข้าเป็นตัวขึ้นไหม่เราจะพบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน นั่นคือเห็นร่องรอยของความคิดหลักๆคือโดยสติปัญญาของเราเราไม่มันเจอกับความความคิดได้ครับไปเจอจังๆมันมันความคิดไม่มีตัวตนอะไรพอเรารู้ตัวมามันกระจกแต่มันมีการกลับคืนมาใหม่ทีนี้เกิดการตอ่อสู้สู้อย แย่งแท่นบัลลังก์ของของสีประธานาพูดเป็นโหันต์ดยที่พุทธกยาที่ได้ต้นโพธิ์นั้นเพระเจ้าโศกรับสัง่งให้ช่างสลับหินนะครับ แ, แท่นวัดสลอัอตามที่เรารู้กันดีพระเจ้าก็าได้นั่งบนแท่นแล้วตรัสรู้ครับต่นั่งันย่างฟางยาา่างคาแต่แทนบัลลังก์การตรัสรู้ถูก สร้างให้เป็นนิมิตให้เป็นเครื่องเตือนสติในกิจภาวนาที่ต้องยึดฐานนั้นให้ได้ก่อนฐานนั้นคือความรู้สึกสดความรู้สึกสดเนี่ยก็ง่ายๆ่ า, ยยาความรู้สึกตัวสดๆจินตนาการเราไม่มุ่งเลิดไปสู่การคิดไกลตัวนะครับ แล้วเมื่อจังหวะที่สร้างหนึ่งเป็นจังหวะนี้ถึงวาระหนึ่งมันจะรวมตัวกนะันมันจะรวบรวมขึ้นมาจนผู้ภาวนาะรู้สึกได้ต่อต่อความผิดต่อความเปลี่ยนแปลงนั้นนะี่เป็นวาระแรกสุดครับที่ทําให้สิ่งที่พูดถึงในตาํารามาอยู่ที่ร่างกายและจิตใจของเรามันอยู่กับความเป็นจริงมากกว่า ความมีในตําราหรือเป็นดิกชันนารีเวิร์จจึงมีความหมายหลากหลายเอเราจับครงศึกได้นี่พระคำพีแรงต่า ง, างจะมีบทบาทตัอใจิตใจเราน้อยลงน้อยลงเพราะว่าการเรียนรู้ได้เข้าถึงแก่นที่มีอยู่จริง เ, เกือบจะเรียกด้ว่าเป็น p r i n c i p ป็ of reality เรื่องทเป็นเรื่องด้านในนั่นเองเมี่อเราภาวนาไปเรื่อยๆนะฮะภาวนาไม่ใช่ไม่ใช่บทกถาคือปฏิบัตินี้ไปเรื่อยๆอันไดเข้าไปปลุกสิ่งที่ผมจะเรียกว่าไอดีเซนซิตี้เอลูซิ ทั้งล่างแล้วก็เหมือนจะมีกระแสไฟฟ้าอ่อ น, ออน